เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของทางศาสนามาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งเป็นการกระทาที่จะยังประโยชน์สุขให้แก่จิตใจ เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจยิ่งกว่าบุญกุศลสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีความหมายสำหรับใจเลยคือไม่มีประโยชน์สำหรับใจเลยแต่ใจนี้ถูกอำนาจของความหลงครอบงำถูกอำนาจของความไม่รู้ ธรรมชาติที่แท้จริงของใจว่ามิอะไรเป็นประโยชน์กับใจอะไรให้ความสุขกับใจก็เลยถูกหลอกให้ไปหลงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความสุขแต่ความจริงแล้วมันเป็นความทุกข์เพราะพวกเราก็มีสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้มากมายกายกองแต่พวกเรามีแต่ความสุขอย่างเดียวหรือไม่หรือมีความทุกข์มากยิ่งกว่ามีความสุขถ้าพวกเราคิดกันสักหน่อยพิจารณากันสักหน่อยพวกเราจะเห็นว่าเรากำลังอยู่ในกองทุกข์กับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราทุกข์กันทุกวันนี้ไม่ได้ทุกขกับอะไรก็ทุกขกับสิ่งที่เรามีนั่นเองและสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่ไม่มีเราก็ทุกข์เพราะอยากจะได้สิ่งที่มีเราก็ทุกข์เพราะเราหวงเราห่วงและเราเสียใจเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปนี่คือเรื่องของความจริง ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีคุณค่าที่จะทำให้ใจของเรานั้นไม่ต้องมีความทุกข์เลยมีแต่บุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายมาบําเพ็ญกันนี้แหละที่มีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจอย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่มีคุณค่ามีความสำคัญแก่จิตใจ ยิ่งกว่าบุญกุศลดังนั้นขอให้พวกเราจงมาตั้งหลักกันใหม่มาเปิดทัศนคติกันใหม่ขอให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในโลกนี้และอยากจะได้ในโลกนี้นั้นมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมี ถ้ามีก็อย่าไปหึงอย่าไปหวงอย่าไปเสียดายถ้าไม่อยากจะทุกข์เพราะไม่มีอะไรที่จะอยู่กับใจไปตลอดแม้แต่ร่างกายอันนี้ที่อยู่กับใจขณะนี้ก็ไม่อยู่กับใจไปตลอดแต่พวกเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าใจเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าใจนี้ไม่ใช่เป็นร่างกาย พวกเราคิดว่าใจกับร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันและคิดว่าร่างกายนี้พอตายไปแล้วใจก็จะตายไปด้วยนี่คือสิ่งที่เราคิดกันเพราะเราไม่สามารถมองเห็นใจของเราได้เพราะเรามองไม่เห็นใจเพราะเราขาดธรรมะถ้าเราปฏิบัติธรรมเราศึกษาธรรม ต่อไปเราจะเห็นว่าใจกับกายนี้เป็นคนละสวนกันเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ในที่สุดก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่ของเราของสามีของภรรยาของลูกของบิดามารดาของปู่ย่าตายายของญาติสนิทมิตรสหาย จะต้องกลายเป็นขี้เท่าไปไม่มีใครยกเว้นแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นขี้เท่าไปกับร่างกายใจนี้แหละผู้ที่จะต้องไปเกิดต่อถ้ายังมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ความอยากนี้ก็จะผลักให้ใจนี้ไปหาร่างกาย แล้วก็ไปทุกกับสิ่งต่างๆที่ได้มาเหมือนกับพวกเราใจของพวกเราเมื่อแยกกับร่างกายของเราในชาติก่อนแล้วเขาก็มาหาร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายอยู่ในท้องของแม่เขาก็เข้าไปครอบครองเหมือนกับไปจองไว้เหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อรถเขายังไม่ผลิต ผลิตยังไม่เสร็จเราก็จองไว้ก่อนรถยังอยู่ในโรงงานกาลังกำลังก ล, ลังประกอบกันอยู่ยังไม่สำเร็จเป็นรถแต่เราอยากได้รถเรากลัวจะไม่ได้เราก็ไปซื้อใบจองรถเอาไว้ก่อนว่ารถคันนี้เมื่อเสร็จเสร็จแล้วเราขอบซื้อเป็นเจ้าของร่างกายที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา ในท้องของแม่ก็เป็นเช่นนั้นการที่จะเป็นคนได้สมบูรณ์เป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์นี้จะต้องมีสมส่วนประกอบกันรวมกันส่วนหนึ่งเป็นของพ่อส่วนหนึ่งเป็นของแม่และส่วนหนึ่งเป็นของเราคือดวงวิญญาณหรือดวงใจของเราเป็นผู้ที่มามาผสมถึงจะเกิดเป็นการตั้งครรภ์ขึ้นมาได้ ถ้าขาดปัจจัยใดยปัจจัยหนึ่งในสามปัจจัยนี้ก็จะไม่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาพอใจได้มาครอบครองร่างกายที่อยู่ในท้องแม่แล้วก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับจนถึงเวลาที่จะต้องคลอดออกมาแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูต่อได้รับนมได้รับน้ำได้รับอาหาร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 จนถึงเวลาที่จะต้องแก่ชราแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปพอหยุดพอร่างกายหยุดหายใจธาตุทั้งสี่ที่มีอยู่ในร่างกายก็แยกทางกันลมก็ออกไปน้ําก็ออกไปไฟก็ออกไปเหลือไว้อยู่ส่วนที่เป็นดิน ถ้าทิ้งเอาไว้ก็จะกลายเป็นดินไปถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปนี่คือเรื่องของร่างกายที่เรามาครอบครองกันและร่างกายของผู้อื่นที่เรามาครอบครองกันก็เป็นเช่นเดียวกันเช่นเรามีร่างกายของเราแล้วขั้นต่อไปเราก็ไปครอบครองร่างกายของสามีของภรรยาเรา ไปจับจองว่าคนนี้เป็นสามีเป็นภรรยาของเราแล้วพออยู่ร่วมกันเราก็มาสร้างลูกขึ้นมาอีกก็ไปจับจองว่าเป็นลูกของเราอีกแต่เราไม่เคยคิดว่าร่างกายต่างๆที่เราไปครอบครองไปจับจองเป็นเจ้าของนั้นไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไป เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ถาวรที่ยั่งยืนมีการเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราไม่ได้เคยศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะเราชอบเราอยากได้เราอยากมี พอมีแล้วเราก็หวงแล้วเราก็ต้องห่วงแล้วพอเวลาที่สูญเสียไปเราก็ร้องหง่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นต้องจากเราไปทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ต้องจากเราไปมีใจเท่านั้นที่จะอยู่กับเรานี่แหละคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้พวกเรามาทำบุญมาสร้างกุศลเพราะเมื่อเรามีบุญมีกุศลแล้วเราจะมีผู้ปกครองคุ้มครองดูแลรักษาใจของเราไม่ให้ทุกทรมานใจจะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องเตียมตัวเปลี่ยนใจพร้อมที่จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะไม่มีใครไม่มีสูญเสียกัน สูญเสียด้วยกันทุกคนทุกคนนี่ที่อยู่ในศาลานี้จะต้องมีการสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปบางคนก็เสียไปแล้วบางคนก็ยังไม่เสียแต่กำลังจะเสียต่อไปไม่มีใครยกเว้นแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะเสียเราจะไม่ทุกข์ทรมานใจอย่างวันนี้เราก็มาเสียเสียอะไร เสียเงินเสียทองกันเราเอาเงินที่เราอุตส่าห์หามาแทบเป็นแทบตายที่เรารักเราหวงแต่วันนี้เรายอมเสียเรามาทำบุญเราเอาเงินนี้มาทำบุญถ้าเราพร้อมที่จะเสียแล้วแทนที่จะเกิดความทุกข์ทรมานใจกับเกิดความสุขขึ้นมาเพราะเราพร้อมที่จะเสียเงินก้อนนี้ไป แต่ถ้าเราไม่ได้พร้อมไม่ได้ตั้งใจที่จะเสียเงินก้อนนี้แล้วถูกคนขโมยไปเราจะเป็นเดือดเป็นแค้นขึ้นมาทันทีเราจะเสียดายจะรู้สึกเสียอกเสียใจนะเพราะเราไม่ได้พร้อมที่จะให้เงินก้อนนี้ไปจากเรานั่นเองนะนี่คือปัญหาของพวกเราความสุขหรือความทุกข์ทรมานใจนี้ อยู่ที่ว่าเราปล่อยวางได้หรือไม่เราพร้อมที่จะเสียสิ่งต่างๆไปได้หรือไม่ถ้าเราพร้อมเวลาเราเสียเราจะรู้สึกเฉยๆหรืออาจจะรู้สึกว่าดีเสีย อ, อีกเพราะจะได้หมดภาระไปเช่นเราเสียลูกที่เรารักไปถ้าเรามองในแง่บวกก็ดีหมดภาระไปไม่ต้องมาคอยเลี้ยงดู ไม่ต้องมาคอยห่วงมาคอยกังวลมีลูกคนนึงนี่เราต้องห่วงต้องกังวลตลอดยี่บสีชั่วโมงตอนนี้อยู่ที่ไหนกําลังทําอะไรปลอดภัยหรือไม่แ้วมีข้าวกินหรือเปล่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่านี่มันเป็นกองทุกข์แท้ๆเป็นความห่วงความกังวลพอเราไม่มีลูกไปปั๊บเท่านั้นเอง ปัญหาเหล่านี้ก็จะหายไปจากใจของเราเลยไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวลเราไม่มองกันเวลาเราสูญเสียเพราะความยึติทําให้เราคิดอยากจะได้คืนพอยิ่งคิดอยากจะได้คืนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทุกข์ทรมานใจมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเราคิจรณาด้วยเหตุผลด้วยความถูกต้อง เราก็จะควรจะดีใจไม่ควรจะเสียใจเพราะเรา <Yes. S 1> เหมือนกับเราเสียของที่เราแบกไว้บนบาสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบเราหวงนี้เป็นเหมือนของหนักที่เราแบกไว้บนบาแบกไว้ในใจใจของเราต้องทุกข์ทรมานต้องห่วงต้องกังวลกับสิ่งที่เรารักที่เราชอบ แต่พอสิ่งที่เรารักเราชอบเสียไปหมดไปเราก็ไม่ต้องแบกอีกต่อไปแต่เราไม่ฉลาดแทนที่เราจะมีความสุขเรากลับมีความทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมเสีย อ, อีกเพราะเราอยากได้คืนมาและเราเสียใจเสียดายที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไป และเราจะไม่ได้กลับคืนมาอีกถ้าตาบใดเราไม่ยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เราเสียไปนั้นจะไม่กลับมาอีกเราจะหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตของเราจะทุกอยู่ทุกวันกับสิ่งที่เราสูญเสียไปเราจะคอยคิดคอยนึกคอยภาวนาคอยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งสิ่งที่เราละนั้นกลับคืนมาหาเรา ซึ่งไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถทำได้แต่ถ้าเรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนเราเลยว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วย่อมมีตายเป็นธรรมดาถ้าเรารู้แล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ต่อไปเวลาเราสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักไป เราจะโล่ง อ, อกโล่งใจเบาใจว่าหมดภาระกันไม่ต้องมาคอยเลี้ยงดูไม่ต้องคอยมารักษาไม่ต้องคอยมาปกป้องคุ้มครองพอไม่มีแล้วเราสบายมีนิทานเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่เคยเล่าให้ฟังอยู่หลายครั้งแล้วเกี่ยวกับแม่คนหนึ่งมีลูกทารกออกมาได้ไม่กี่วัน ก็ตายไปแม่ก็เสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้อยากจะให้ลูกฟื้นกลับคืนมาไม่ยอมเอาลูกไปเผาไปฝังเก็บไว้ในบ้านแล้วก็อยู่ในบ้านร้องห่มร้องไห้ทั้งวันชาวบ้านเพื่อนบ้านเห็นแล้วก็สงสารก็เลยบอกว่าให้พาไปหาพระพุทธเจ้าดูพาลูกไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านมีอิทธิฤทธิ์ท่านช่วยท่านคงจะช่วยเราได้เขาก็เลยดีใจรีบอุ้มลูกไปหาพระพุทธเจ้าพอไปพบพระพุทธเจ้าก็ขอร้องให้พระพุทธเจ้าทำให้ลูกของเขากลับคืนมีชีวิตขึ้นใหม่พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าได้ไม่ยากเลยขอให้เธอไปหางา ม, มาให้สักกามือหนึ่ง แตงงานที่เธอไปหามานี้ไม่ว่าจากที่บ้านของใครก็ตามบ้านของเขานั้นจะต้องไม่มีคนตายมาก่อนเขาก็ดีใจเขาก็เลยรีบกลับไปในหมู่บ้านแล้วก็ไปเคาะประตูบ้านของเพื่อนบ้านถามเขาว่ามีงานไหมเขาก็ว่ามีถามว่ามีคนตายไหมเขาก็บอกว่ามีมีปู่มีย่ามีพี่มีน้องมีลูกมีหลาน ไปเคาะประตูบ้านไหนก็มีคำตอบเหมือนกันทุกบ้านเลยจนในที่สุดเขาก็เลยได้รับสัจธรรมความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่เสียลูกไปคนเดียวคนอื่นเขาก็เสียกันทั้งนั้นไม่มีใครไม่เสียกันพอเขารู้อย่างนี้แล้วเขาก็ทาใจได้เขาก็ยอมรับความจริงแล้วก็เอารูปไปเผาไปฝัง ตามประเพณีต่อไปแล้วเขาก็มุ่งไปสู่ชีวิตของเขาดําเนินชีวิตของเขาต่อไปเขาก็ยังมีความสุขได้มีลูกใหม่ได้มีความสุขต่างๆได้มาอีกเพราะเขาปล่อยวางอดีตเขาไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้กลับคืนสู่อดีตเพราะมันเป็นไปไม่ได้ส่วนเรื่องจริงที่เกิดขึ้น เมื่อไม่กี่ปีนี้ก็มีญาติโยมคนหนึ่งที่พระที่มีลูกสาวแล้วก็ลูกสาวก็เสียเกิดอุบัติเหตุเสียไปก็เหมือนกันก็อยากจะให้ลูกกลับคืนมาอยากจะได้ลูกกลับคืนมากินไม่ได้นอนไม่หลับเราก็บอกเขาว่าต้องทำใจไม่มีทางที่จะกลับมาแล้วยกเว้นว่าถ้าเขาดวงใจดวงจิตของเขาดวงวิญญาณมีความผูกพัน และมีบุญบารมีพอเขาก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นลูกของเราอีกก็ได้เขาก็เลยเกิดความหวังแล้วในที่สุดเขาก็ได้ลูกคนใหม่มาตอนต้นเขาก็พยายามคิดว่าเป็นลูกของเขาเราก็บอกว่าต้องดูเขาดูที่นิสัยของเขาว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคนก่อนกับคนนี้มีนิสัยเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามีนิสัยเหมือนกันทุกอย่างก็ถือว่าเป็นคนเก่า แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่พอเขาได้ลูกคนใหม่มาแล้วถึงแม้จะนิสัยไม่เหมือนคนเก่าเขาก็พอใจตอนนี้เขาก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเขาปล่อยวางอดีเขาไม่ไปยึดไปติดกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราไปแก้ไม่ได้เราไปทําให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้แต่เรายังมีอนาคตที่รอเราอยู่ เราสามารถสร้างอนาคตขึ้นมาแต่ถ้าเราเข็ดกับการที่มีลูกหรือมีอะไรต่างๆแล้วเราก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราก็ออกบวชกันไปปฏิบัติธรรมกันเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องกลับมาทุกข์ซ้ำซาอีกเพราะถ้าเรากลับมาเกิดอีกเราก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้เราก็จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นมีคนนี้ และเราก็จะต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่เราเสียคนนั้นคนนี้ไปหรือเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหรือเวลาที่เราแก่เราเจ็บเราตายเราก็ต้องกลับมาทุกข์อีกไม่มีวันที่สิ้นสุดมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่เราไม่สามารถตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้แต่ถ้าเราเห็นว่าโลกนี้น่าเบื่อมีแต่ความทุกข์รอบด้าน เราออกปฏิบัติธรรมดีกว่าทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เบื่อโลกท่านก็มีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายก่ายกองแต่พอท่านได้ลูกพอได้ทราบข่าวว่าได้ลูกชายเทัานั้นท่านก็อุทานออกมาเลยว่าราหุลราหุลภาษาบาลีแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วมีบ่วงมาคล้องคอแล้ว พอรู้อย่างนี้ท่านก็เลยต้องหนีออกจากวังในคืนนั้นเลยเพราะถ้าอยู่แล้วจะไม่สามารถที่จะออกบวชได้เพราะจะถูกบ่วงคือลูกนี้คล้องคอเอาไว้เพราะจะต้องคอยดูแลลูกไปจนกว่าจะเจริญเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอถึงเวลานั้นมันก็จะสายเกินไปสำหรับการที่จะออกบวชปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุเป็นพระ อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเ่พระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาพวกเรายังไม่มีปัญญาพวกเราพอได้ลูกมาแทนที่จะร้องว่าบวงลรวกลับดีใจเหมือนกับว่าได้เงินได้ทองมาทั้งทางที่จะต้องเสียเงินเสียทองเป็นแสนเป็นล้านกว่าจะเลี้ยงลูกให้เจริญตบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้จะต้องเหนื่อยแสนเหนื่อยทุกทางกายทุกทางใจ เพื่อเลียงลูกแต่เราไม่มีปัญญาเราถูกความหลงมันครอบงมจิตใจทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเรากำลังได้กงจักรมาบาดคอเราแต่เราคิดว่าเป็นดอกบัวเราได้อะไรมาเราจะดีอกดีใจกันแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเวลาที่เราเสียมันไปจะเป็นอย่างไรเวลาที่จะต้องจากมันไปมันเป็นอย่างไร เมือเวลาที่เราจะต้องคอยดูแลรักษาเป็นอย่างไรเราไม่คิดกันเลยคิดแต่ว่าดีอย่างเดียวท่านั้นเองพอได้มาแล้วก็ดีออกดีใจกันแล้วก็ต้องมาร้องหงอร้องไห้มาลำบากลำบนกับการทำมาหากินมีปากเดียวยังไม่พอยังต้องไปหาปากของคนอื่นมาเพิ่มอีกเอาปากของลูกสองคนสามคนมาเป็นภาร่าอีก นี่เป็นเพราะว่าเราโง่เราไม่ฉลาดเราไม่มีธรรมะนั่นเองเพราะเราไม่สนใจที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะไม่โง่เราจะฉลาดเราจะไม่อยากได้อะไรเราอยากจะมีให้น้อยที่สุดมีเท่าที่จำเป็นเราอยากจะมีอะไร เราอยากจะมีธรรมะให้มากขึ้นเราอยากจะมีเวลาปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นเราอยากจะมีเวลาเข้าวัดให้มากขึ้นเพราะเรารู้ <Qiu. S 1> ว่าเวลาเราเข้าวัดเราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เช่นเวลาเรามาอยู่วัดเราก็ลืมเรื่องบ้านเรื่องช่องไปเลยเรื่องงานเรื่องการไปเลยบ้านช่องจะเป็นยังไงงานการเป็นยังไงเราไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องเราแสนจะสบาย พอเรากลับไปบ้านกลับไปที่ทา ง, งานปั๊บก็เริ่มปวดหัวเลยเริ่มทุกข์เลยเพราะมีเรื่องต่างๆมันเข้ามาให้เราต้องคอยแก้ไขต้องคอยแบกต้องคอยรับอยู่ตลอดเวลาพอเราเริ่มเข้าวันเริ่มเห็นความเห็นความสงบว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งอื่นๆในโลกต่อไปเราก็จะพยายามที่จะตัดสิ่งต่างๆ ให้ออกไปจากชีวิตจิตใจของเรามีอะไรที่เราให้ได้ก็ให้ไปมีสามีภรรยาถ้าเขาอยากจะไปอยู่กับคนอื่นก็จะให้ยกให้เขาไปเลยเราจะได้สบายไม่ต้องมาแบกภาระกับเขาเราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางจิตใจเพราะไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะมีคุณมีค่ากว่าความสุขของจิตใจ ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองความสุขที่เกิดจากการทำบุญให้ทานความสุขที่เกิดจากการรักษาสิงความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมความสุขที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะพยายามสร้างความสุขล่านี้ให้มีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้หมด ตัดได้หมดแม้แต่สังขารร่างกายของเราเราก็จะตัดได้ต่อไปเราจะไม่กลัวความตายเลยเพราะเราไม่หวงร่างกายนี้เรารู้ด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาพระศาสนาจากการมาวัดอย่างสม่ำเสมอ เรากําลังมาสร้างความสุขให้แก่ใจของเราเรากําลังมาลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้เบาบางลงไปและหมดไปในที่สุดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทําให้กับใจของเราได้นอกจากการมาวัดมาสร้างบุญสร้างกุศลนี้เท่านั้นจึงขอว่าจึงขอให้พวกเราคิดว่า พวกเรามีบุญมีกุศลมีความฉลาดที่เลือกทางที่จะมาวัดกันนี้เพราะมีคนไม่มากที่จะเลือกมาทางนี้กันมีพวกเราเท่านั้นที่ฉลาดและจะเป็นผู้ที่จะได้รับความสุขได้หยุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนถ้าเราปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทาง จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำรูปบำริงดูแลรักษาใจของเหล่านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัย